ปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งสงถามพระผู้มีพระภาคอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณ ก, กรุงเวสาลีถามทรงปราบรบใครตอบทรงปรารบพระสุธินกัลลันทบุตร ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระสุธินกัลลันธบุตรเสพเมถุนธรรมกับอดีตภรรยาถามในปา ร, ราชิกสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปปณะบัญญัติอยู่หรือตอบในปา ร, ราชิกสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสองพระอนุบัญญัติไม่มีอนุปัปณะบัญญัติ ถามมีสัพพะบัญญัติปเทสบัญญัติอยู่หรือตอบมีสัพพถบัญญัติถามมีสาธารณะบัญญัติอาศัทารณะบัญญัติอยู่หรือตอบมีสาธารณะบัญญัติถามมีเอกโตบัญญัติอุพัโตบัญญัติอยู่หรือตอบมีอุพัโตบัญญัติถาม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 มรรดาวิบัตสี่อย่างเป็นวิบัตอย่างไหนตอบเป็นศีลวิบัตถามบรรดากองอาบัตร7กองเป็นกองอาบัตไหนตอบเป็นกองอาบัตปาราชิกถามบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่ตอบเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่ง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 สำ ม, มุขาวินาันปฏิญญาตะกรณะถามในปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งนั้นอะไรเป็นพระวินันอะไรเป็นอภิวินันตอบพระบัญญัติเป็นพระวิไนาการจำแนกเป็นอภิวินันถามในปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งนั้นอะไรเป็นพระปาติโมก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 การที่ภิกษุสมาทานอาปาณะโกติกะศินตลอดชีวิตว่าเราจะไม่ทำกรรมอย่างนี้อีกแล้วศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเป็นข้อปฏิบัติถามพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งโดยทรงอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไหร่ตอบ ทรงบัญญัติประราชิกสิกขาบทที่1โดยทรงอาศัยอำนาจประโยชน์1ิประการคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลาย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 บุคคลผู้ใคร่ศึกษาถามใครทรงเอาไว้ตอบพระเถระทั้งหลายผู้ทรงจำปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งได้ทรงเอาไว้ถามเป็นถ้อยคำของใครตอบเป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถามใครนำมา ตอบพระเถระทั้งหลายนำสืบสืบกันมา